ชีวิตคือนิยายตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพราะไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นตัวเองคือไม่รู้จักอัตตาอัตมันไม่สามารถเข้าถึงความเป็นตัวเองเฉพาะอย่างยิ่งไม่รู้เหตุ ที่เกิดตัวตนของตัวเองอัตตาพระเจ้าจะอาศัยคนที่เกิดขึ้นมาในโลกผู้หนึ่งที่เรียกกันว่าพระศาสดาหรือฉายานามว่าพระบุตรเป็นผู้นำบัญญัตินำบัญชานำองค์การของพระเจ้ามาสู่มนุษย์ พระบูตรก็แค่มีหน้าที่นำบัญชาจากพระเจ้ามาบอกแก่มนุษย์ในโลกให้รู้ว่านี้คือความดีบ้างนี้คือความสุขบ้างเป็นต้นที่พระเจ้าเป็นเจ้าของความจริงทั้งหลายนี้และยืนยันว่านี้คือความจริงของพระเจ้านิรันดร มนุษย์มีสิทธิแค่รู้และปฏิบัติตามไม่มีสิทธิแย้งใดๆหรือวินิจฉัยใดเด็ดขาดและมนุษย์จะเป็นอย่างพระเจ้าหรือพระบุตรเป็นไม่ได้หมายความว่าวิญญาณคนจะมีจะเป็นอย่างพระเจ้ามีมีพระเจ้าเป็นไม่ได้เชื่อพระเจ้าทำตามพระเจ้าก็ได้ ความดีก็ดียิ่งแล้วซึ่งอย่างนี้ก็จึงที่สุดแหละซึ่งอย่างนี้ก็จริงที่สุดแหละเพราะพระเจ้ามีปาณิชานให้คนดีเป็นสุขนั้นแน่ยิ่งกว่าแน่อยู่แล้วไม่มีใครแย้งเลย